กูบาบวดใหม่พากันท่องสวดมนต์สวดมนต์ใดมันมต้องถวดท่องไว้นีเวลาคนนิมนต์มีงานสวดมนต์สวดมนต์มนต้องพากันสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานสวดเอกเทศเอกเทศอะไรสวดธรรมจักร อดีตอ น, นัทวิปัสนาภูมิพากกันสวดไว้เวลาเข้าเวลามีงานอภิธรรมเจ็ดกัมพีอำเภอพอถึงเวลาจะสวดแล้วถึงความรู้เรามีไว้ไม่หนักไม่ต้องแบบต้องหาม วิชาความรู้ที่เรามีไว้นี่ยไม่ต้องไปแบกไปหามมันในเมื่อเรามีวิชาเรามีความรู้แล้วนะสวดธรรมนิยามนี้เยือเมืองต้องสวดไว้ ต้องท่องปฏิโมกปฏิมือปฏิโมกก็ต้องท่องไว้ให้มันได้เดยวไปท่องมากท่องจำท่องหนังสือเราใช้ท่องจำท่องวันละแถวก็ได้ครั้งละแถวก็ได้ให้มันว่าปากเปล่าได้ว่าแถวหนึ่ง หนังสือไม่ได้มีมากแต่และเรื่องแต่และเรื่องมันเป็นเรื่องเรื่องของมันมันเป็นวะเป็นคาถา ซื้อการท่องหนังสือเราต้องสังเกตดูวัตดูอักขระดูพยัญชนะให้ชัดเจนออกเสียงให้ชัดเจนแล้วก็ไปอ่านพุทธประวัติอนุพุทธประวัติอ่านหนังสือธรรมบทอ่านพระไตรปิฎก ใเวลากับตัวเองที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนถ้าเราไม่ไว้ให้เวลากับตัวของเราแล้วใครจะให้เวลา เราต้องมีเวลากับตัวเองให้มากเมื่อเรามีเวลากับตัวเองมากเท่าไหร่ก็ น, นั้นเป็นโอกาสของเร า, าหนก็หาเวลาเดิอนโยงกลมหาเวลาภาวนา ในการทำสมาธิภาวนาเราก็ทำตาหลักสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน่านัน้หลักใหญ่ๆมีอยู่สองหลักเมื่อเราทำในสองหลักนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปไหน ลักษณะของวิปัสสนากรรมฐานเป็นยังไงลักษณะของสมถกรรมฐานมันเป็นยังไงเราถนัดในวิธีการไหนที่จะทำเราจะทำให้จิตสงบหรือเราจะพิจารณาไปเลย ดูจริตนิสัยของตัวเองถ้าหากการทำความเพียรมาบวดปีแรกไม่เปลียนไปแล้วปีที่สองที่สามนะอย่าไปพูดเลยคนที่เข้ามาปฏิบัติอย่าไปหวังถ้าไม่กระตอือรือร้นตั้งแต่ปีแรกๆนี้แล้ว เ, เสียไม่ใช่ ไม่กระตือรือร้นในการเดินโยงกลมในการนั่งสมาธิในการภาวนาแล้วพอพรรษาที่สองที่สามไปแล้วก็เลิกกันอย่าไปหวังว่าจะทำอะไร เราจะต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองในขณะที่เรามีศรัทธาเข้ามาบวชงานก่อสร้างก่อเสริงก็ไม่มีอะไรมากมายเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นบริษัทสี่ การที่จะเป็นตัวแทนของพระศาสนาการเป็นตัวแทนของผู้เจ้าการเป็นตัวแทนพระ อ, อริยสงสาวกเราได้เตรียมตัวเราพร้อมหรือยังเตรียมร่างกายของเราเตรียมจิตใจของเราเรามีฐานในภาคปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน ต้องเข้ามากํากับดูแลตัวเองถ้าหากเราไม่เข้ามากํากับดูแลตัวเองไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องกํากับดูแลเราจะเอาอะไรศีลคือการสังรวมระวัง ให้จิตใจมันแสสายไปตามอารมณ์ต่างๆเป็นรั้วที่ปิดกั้นศัตรูคู่ประสงค์ร้ายกับเราไม่ให้เขาเข้ามาทำลายเราได้คือศีลนี่เราเป็นรั้ว ในเมื่อศีลมันเป็นรั้วเราก็ต้องเข้ามาดูแลตัวเองมันอ่อนวิปัสนาหรืออ่อนสมถะสมถะเราอ่อนเป็นยังไงวิปัสนาเราอ่อนมันเป็นยังไงเราไม่ได้มุ่งมั่นในการทำความเพียร เราไม่ได้เอาใจใส่กับตัวเองถือว่ามีที่อยู่ที่อาศัยมีอาหารการบริโภคอยู่สุขสบายในปัจจุบันมันจริงอยู่สุขสบายในปัจจุบันแต่ในอนาคตเรามีอะไรที่จะมาคุ้มครองตัวของเรา เราต้องทำตั้งคำถามถามตัวเราอยู่ตลอดเวลาเรามีเครื่องคุ้มครองตัวเราหรื อ, อยังที่จะไม่ให้กิเลสมันสอดแทรกเข้ามาถ้าหากเราไม่มีอะไรที่จะมาคุ้มครองตัวเราเราคุ้มครองตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่ เราคุ้มของตัวเราด้วยสมาธิได้หรือไม่เราคุ้มของปัญญาตัวเราได้หรือไม่เรารู้ทันเท่าทันสังขารไหมที่ว่าปัญญาปัญญาคือรู้เท่าทันสังขารถึงได้เรียกว่าปัญญา ฉะนั้นเอาสินสมาธิปัญญาเนี่ยมาเป็นตัวคุ้มของตัวเรามาให้กิเลสมันแสกสอดแสกเข้ามาฉะนั้นการทำหน้าที่พลเมืองสินธรรมนี่พูดมันง่ายทำหน้าที่บริษัทสีมันก็ง่ายคำพูด แต่ในภาคปฏิบัติในความเป็นจริงเหมนมีเครื่องป้องกันมากน้อยแค่ไหนที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงตัวเอง ในเมื่อกิเลสมันเข้ามาแทรกแซงแล้วบันมันจะทำยังไง ก็ต้องดูแลตัวของเราเราก็ต้องจัดการตัวของเราเพื่อไ่าให้กิเลสมันเข้ามาแทรกแซง นี่เมื่อเกเรตนเข้ามาแทรกแซงเราก็ตกอยู่ในอะไรละมันตกอยู่ในจำเลยการเป็นจำเลยมีความสุขด้วยจำเลยของค่าศึกศัตรูจำเลยหนึ่งเมืองขึ้นหาความสุขไม่ได้ผู้คนในบ้านในเมือง จะต้องถูกบีบบังคับทุกชนิดนี่คือการเป็นจำเลยการเป็นเมืองขึ้นเรามาเป็นเมืองขึ้นต่อกิเลสมันในกิเลสมันก็บงการเอาอะไทุกชนิดหนึ่งที่อยู่ที่อาศัยเรื่องที่หลับที่นอนเรื่องอาหารการบริโภคต่างๆ มันบังคับเราเลยเราก็วิง่งตามมันเลยตอนเป็นเจ้านายเราฉะนั้นเราต้องหาเครื่องป้องกันตัวเองเราจะต้องหาเครื่องป้องกันตัวของเรา ปัญหามีอยู่แค่นั้นมีอยู่ว่าเราป้องกันตัวเราได้หรื อ, อยังเมื่อมเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเกิดภัยพุกพามเข้ามาเราเอาชนะกิเลสได้หรื อ, อยังไม่ว่ามันจะเกิดความโลภความโกรธความหลงราคาต่างหาอาวิชชาภพชาติอะไรก็ตาม แล้วเอาชนะมันได้ตรงไหนเกิดเวทนาเกิดเบื่อใ น, น่ายในธรรมขึ้นมาอย่างเราเอาชนะมันตรงไหนได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนากิจธรรมสติปัฏฐานสี่ เวลาเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเอาชนะมันได้ไหมเวลากิจมันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆเราเอาชนะมันได้ไหมเราเคยได้เอาชนะเวทนาได้หรือยังเคยนั่งเจดแปดชั่วโมงหรือยังเคยเดินเจ็ดแปดชั่วโมงหรือยัง เคยไม่นอนทั้งวันทั้งคืนหรื อ, อยังเราต้องเอาชนะตัวของเราได้ถ้าหากเราเอาชนะตัวเราไม่ได้แล้วใครจะมาช่วยเหลือเรา ถึงเวลาคมเป็นคมตายมันเกิดขึ้นมาจุดท้ายมาตายแบบลืมตาตายหรือจะตายแบบหลับตาตายถ้าเราเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เวทนาน้อยเวทนาใหญ่เวทนาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวทนาของกายเวทนาของจิต เราก็เอาชนะมันได้เห็นตามความเป็นจริงนั้นได้มันก็แตกต่างกันฉะนั้นถึงว่าเราต้องตั้งคำถามขึ้นมาใส่ตัวของเราเมื่อเราตั้งคำถามแล้ว มันจะต้องหาคำตอบให้ได้ถึงรู้ได้ว่าบริกรรมเรามันอ่อนหรือที่เรียกว่าสมถมะมันอ่อนหรือว mm. ิปัสสนามันอ่อนเรามีคำถามมึงก็ถึงจะหาคาตอบได้ในบริกรรมชาวนะเรามีกิจตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมมากน้อยแค่ไหน มันเป็นอะไรที่มันไม่เป็นไปตามขบวนการของมันจิตมันชอบกระตุกจิตมันชอบกระโดดเวลาจิตจะสงบก็สะดุง้งหรือมันเป็นอะไรขึ้นมาหรือเวลาสงบก็สงบปึบเข้าไปเลยเือแม่ออกกระโดดออกมาเลยโดยที่ไม่ได้ด ตั้งขอสังเกตให้ดีพอเวลาจะทำให้จิตสงบอีกแบบ น, นี้ก็ไม่สงบเพราะเราไม่ได้ทำขอสังเกตเราต้องมีเครื่องหมายมีขอสังเกตตัวเองในอารมณ์ต่างๆจำกัดอารมณ์ให้เหลือน้อย จำกัดอารมณ์ให้เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะจิตมันถึงจะสงบขมฟุม้งเฟ้อเหอะเหมต่างๆเราต้องจํากัดมันลงไปให้ยินดีในของที่มีอยู่จิตมันถึงจะสงบอ๋อมันยังไม่สงบจํากัดเรื่องอาหารการชัน ชั้นอาหารชนิดนี้ไม่สงบชั้นอาหารชนิดนี้ต้องลองเป็นอย่างๆไปแล้วเราก็มาสรุปดูว่าอาหารชนิดไหนที่ทำให้กิตเราวง่วงเหงาเผนอนฟุ้มเฟอ้อเหอเฮิเมกระโดดโล ด, ดเต้น อาหารชนิดไหนที่เป็นไปกับการภาวนาพอฉันอาหารชนิดนั้นเข้าไปแล้วเดินภาวนาได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีงวงหนอนอนเลยทั้งคืนนจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาในเมื่อจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาแล้วมัน เราจะทำยังไงเราก็ทำได้ทั้งหมดมันมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้าหากเราเข้าไปถึงฐานของกิจจริงๆผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราลุ่มหลง ูเจ้าให้ความรู้กับเราเราแสวงหาเอาไหมคาสอนของผู้เจ้าที่ฝ่ายที่เป็นความรู้ความฉลาดเราจะทำยังไงที่มันจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามันต้องหาคำถามให้ได้หาคำตอบให้ได้มันพร้อมที่จะถามเราได้ตลอดเวลา ล้วจับคำบริกรรมเข้าไปจิตทำไมไม่สงบจิตทำไมไม่ตั้งมั่นเมื่อเราคายคำบริกรรมออกไปจิตทำไมไม่ตั้งมั่นก็ล้มไปกับคำบริกรรมเลยมันต้องมีคำตอบแน่นอนถ้าหากเราจะสนใจในการศึกษาเล่าเรียน สนใจในการประพฤติปฏิบัตินั่งภาวนาไม่ถึงห้านาทีรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรทำไมกิจมันไหวไปอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์อะไรที่มาเป็นกิเลสผลักดันให้มันไหวไปฉะนั้นเราก็ต้องจำกัดอารมณ์นั้น ไม่เห็มนเกิดขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาพอเพียงแต่กำหนดก็รู้ว่ามันเป็นอะไรสร้างฐานขวมมู้ขึ้นมาภายในตัวเองไม่ได้ไปรู้มาจากตำรับตำลาที่ไหนเราศึกษาในภาคปฏิบัติตามแนวทางของผู้เจ้า หรือตามแนวทางของคุบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันมาแต่าปางก่อนถ้าคุบาอาจารย์ปฏิบัติแล้วเทอะาไปดูหลักฐานที่มันอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอธิษฐานของท่านเจสาของท่านเป็นพระธาตุไปหมดตัวอย่างเร็วๆนีก่ก็ยางหลวงปู่เลี้ยน กลายเป็นาธาตุบริสุทธิ์กลายเป็นาธาตุกายสิบนั่นาธาตุดินของท่านกับาธาตุดินของเราเป็นาธาตุดินชนิดเดียวกันไหมทําไมมันแตกต่างกันฉนันจะไปว่าวิริเยทุกขมัดเจติบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรเนี่ ณเสร็จแล้วเรามีความภาคความเพียรมากน้อยแค่ใ น, นวันวันคืนคืนแต่สันเสร็จหลังจากเช็ดบาดเช็ดอะไรเสร็จเก็บผ้ากิ่ไตกี่วันเก็บทําอะไรต่ออะไรทำพว่วมเข้าสู่ทางโยมกลมภาวนาของเราจนใกล้เที่ยงหรือเที่ยงไปแล้วหรือเดินทั้งวันเลยมันไม่สงบให้มันรู้ไปที่มันจะเป็นอะไร พอเราเดินไปทั้งวันแล้ววันนี้มันก็เข้าใจถ้าหากไม่ทำควมามภาคควมเพียรอย่างนั้นโอ้ยการบวชนั้นศูนย์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามีศรัทธาก็ศู์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะมานอนให้ความรู้ความฉลาดมันไหลเข้าไปในกระหม่อมเราเองอยาก เราจะต้องทําความเข้าใจเราจะต้องทําความรู้ให้กระจ่างพอมันกระจ่างขึ้นมาแล้วบัดนี้พอความรู้ภายในมันเกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นมันขาดตรงไหนล้วก็เติมเข้าไปตรงนั้นมันขาดตรงไหนแล้วก็เติมเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เต็มนย นี่คือการทำความภาคความเพียรไม่ได้ทำแบบรวมๆแรงๆเราทำแบบมีครูมีอาจารย์การเตรียมเนื้อเตรียมตัวของตัวเองเข้ามาสำหรับที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติเนากกได้เตรียมตัวมาพอสมควร พเราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติวางแผนตัวเองตั้งนาฬิกาชีวิตตัวเองขึ้นมาสำหรับที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะั้นเมื่อกิจสงบเป็นอปปนาสมาธิแล้วเราจะต้องถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิเอ ไม่ใช่พอจิตสงบแล้วก็ปล่อยจิตสงบไปจนกระทั่งแบบไม่ลืลนหูลืลนตาพอจิตฟุ้งซ่านก็ปล่อยจิตไปให้ฟุ้งซ่านไปโดยที่ไม่ลืลนหูลืลนตาขึ้นมาดูโลกเขาเลยนั่นตั้งแต่ปล่อยจิตไปอย่างเดียวแล้วแต่ลมพัดลมเอไปอย่างเดียวอย่างมันไม่ใช่ คนที่ทำสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นคนที่ทำสมาธิภาวนาจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนยืนหยัดต่ออารมณ์ของกิเลสมันเข้ามาลุกเล่าตัวเอง เพื่อจะเอาชนะตัวของตัวเองมันไม่สงบหลืออัดคำบริกรรมให้มันทีเข้าไปทีเข้าไปทีเข้าไป ท, เไปทีเข้าไปจนกระทั่งไม่มีทางที่จะเล็ดรอดไปที่อื่นคือการทำสมาธิภาวนาถ้าหากเราจะคิดทำเพื่อเอาชนะกิเลสไม่ยาก ทำวันเดียวก็สงบได้ใจทำครึ่งวันก็สงบได้ทำเป็นชั่วโมงนี้จิตใจมันก็สงบได้ถ้าเราจะเอาชนะมันจริงๆเราเตรียมฟิตซ้อมตัวเองให้ดีเตรียมร่างกายของเรามาให้มันดีเตรียมสภาพจิตใจของเรามาให้มันดี การฝึกซ้อมตัวเองให้มันดีเท่านั้นเลยถ้าหากเรารู้จักฝึกซ้อมตัวเองรู้จักเตรียมร่างกายตัวเองเตรียมจิตใจตัวเองเมื่อเราเข้าสู่หลักปฏิบัติมันก็เปลี่ยนไปได้เลยเพราะมันพร้อมที่จะสงบ มันพร้อมที่จะมีสมาธิมีปัญญาแต่บัด น, นี้เราไม่ได้เตรียมตัวของเราให้มันพร้อมสำหรับที่จะรับทำคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นปล่อยไปตามกิเลสลมพัดลมพีแล้วแต่เอาไปตามยัตถกรรมมีแต่ฟุ้เซื้อเหอเฮิม มีแต่ปรุงแต่งไปตามสังขารที่มันแล้วแต่มันจะพาไปไม่รู้สังขารมันจะจุงไปที่ไหนก็ไปตามมันไปอย่างนั้นมันมีประโยชน์ที่ตรงไหนแล้วเป็นย่งงมันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษกับโทษฉะนั้นการที่เราจะทำประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาเราจะทำในเล่นไม่ได้ เมื่อเราเข้ามาพัฒนาก็คือเพาะมาพัฒนาจริงๆเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติก็คือตั้งใจปฏิบัติจริงๆเพราะคําสั่งสอนของผู้เจ้าไม่ใช่เรื่องของเล่นคําสั่งสอนของผู้เจ้ามันเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้เป็นเรื่องเล่น แนวทางการปฏิบัติต่างๆของครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นมีการเอาจริงเอาจังกับตัวเองอย่างเด็ดขาดเอคิดไม่สงบวันนี้มันต้องตายพอคิดว่าถ้าหากคิดไม่สงบวันนี้มันต้องตายคืออะไรมันพังลงไปแล้วตัวส ก, กายริทิวิกิกิจส า, าศิลพัตนปรมาท ไม่สงสัยในคำคำสั่งสอนของผู้เจ้าความถือว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะตายก็ตายเท่านั้นเองตายไม่ได้มีอะไรมันตายเพียงแต่ธาตุแตกคาดดับเท่านั้นใจมันไม่ได้ตายไปที่ไหนใจมันมีความรู้อยู่ตลอดเวลา ในยุคปัจจุบันนี้ยังไม่มีคนเดินยุงกรมตายคนทำกรมภาคกรมเพียนตายนอกจากเก็บไข้ได้ป่วยชราภาพไปตามการตามเวลาเนี่ยนะตายธรรมดาตายกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ที่จะตายเพราะการดำเนินศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญาเนี่ย ยังมีไม่เท่าไรเล ย, เลยฉะนั้นเราต้องจัดการกับตัวของเราจัดการกับตัวของเราขั้นเด็ดขาด พะเราเป็นเฉลยเฉลยศึกสงครามนี่เขาย่าศึกกันแล้วนี่ลงศัตยบัญกันเสร็จแล้วนี่เขาหมอบแลกเฉลยกันนะแต่เฉลยพบชาติเราจะไปแลกกับใครเมื่อเราเป็นเฉลยของพบชาติผมเกิดแก่เก็บไต เราเกิดในมนุษย์โลกเราก็ดีจะไปเกิดในอบายภูมิหนึ่งเลิกกันเลยที่จะทําคุณงามความดีไม่มีหรือไปเกิดเตียบต่างประเทศที่ไม่มีศาสนาอย่างมีแต่ฆ่าตีบีบบยซึ่งกันและกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะเพราะมันปกครองโดยกิเลส ไม่มีมมทาอยู่ในหัวใจฉะันเราเกิดในประเทศที่สมควรแล้วในประเทศไทยหาที่ไหนจะสมควรไปกว่านี้อีกไม่มีมีแนวทางการปฏิบัติมีครูบาอาจารย์พาดำเนินในการทำสมาธิภาวนามีคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ให้แนวทางการปฏิบัติต่างๆ เราก็สร้างความพอใจขึ้นมาในการปฏิบัติเมื่อเรามีความพอใจแล้วอะไรมันก็ทำได้ทางนั้นแต่ถ้าไม่พอใจแล้วอะไรมันก็ทำไม่ได้ความยากความง่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานมันเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรา ถ้าใจเราว่าไม่เอาเราก็เลิกกันเลยถ้าใจเราว่าหนักเอาเบาสู้มังก็สู้กันจนถึงที่สุดนอกจากว่าเราตัวเองเราปล่อยตัวไปตามลมพัดลมเพ ไม่ได้มองถึงหลักของภาคปฏิบัติเราจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวไม่เกี่ยวเราจะนุ่งสบงทรงจีวรก็ไม่เกี่ยวคีเรียไม่ได้ไปนุ่งกับเราไม่ว่าจะหลงอะไรก็คือเราเป็นคนหลงท่งนั้น พะเราหลงคนของกิเลสนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจอะไรต้องพยายามพากันขนขวาวอากาศก็สบายไม่หนาวจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปบัดใจสี่เราก็พอสมควรพอเป็นไป ของเหล่านี้มันพอเปลี่ยนไปแล้วเท่านั้นในการปฏิบัติในภาคปฏิบัติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเพราะเราก็เข้ามาเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์แล้วมุ่งที่จะแก้จิตของเราไม่ต้องไปแก้คนอื่น คนอื่นมันจะตายวันละร้อยวันละพันไม่เกี่ยวกันกันกบเรามันจะตกนรกหมกไห่วันละเป็นแสนแส น, แสนก็ไม่เกี่ยวกับเราแผ่นดินถล่มหมดไปเป็นเมืองเมืองก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะเราไม่ได้อยู่ในที่แผงดินมันถลบนี่ อยู่ในหลักของการทำสมาธิภาวนาเท่านั้น <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจใครเข้าไปดูข้างในอย่างเดียวดูความเกิดดับข้างในไม่ต้องไปสนใจกับใคร ใครเขาจะพูดอะไรทำอะไรก็ช่างเขาเราก็มาดูข้างในของเราเราดูอยู่ตั้งแต่ภายในเราอย่าไปสนใจภายนอกเวลาเรามีจํากัดนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเวลาของเราก็มันหยุดหายใจแล้วก็เลิกกันเลย ไม่ได้บอกอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีที่ว่าอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีนี่เป็นเรื่องของคมเข้าใจผิดทั้งนะั้นฉะนั้นเราเอามรนานสุติมาเป็นเครื่องอยู่ของใจไม่ต้องไปสนใจภายนอก ดูความเกิดดับของอริยสัต์เรามาเห็นแต่ความเกิดกับความดับถ้าหากเราเห็นแค่ความเกิดกับดับจิตมันก็ถอนตัวกลับมาสู่ฐานของจิตไม่ออกไปข้างนอก พอออกไปข้างนอกมันเห็นตแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะดูอย่างในตลาดนี่ฟังเสียงนี่ไม่รู้เสียงร้องเสียงลำเสียงเต้นเสียงดีดอะไรนะั้นมีแต่เรื่องของทุกข์ทั้งหมดเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นปล่อยตัวเองไปตามลมตามแรง แล้วแต่ลมพัดลมพมันจะไปทางไหนก็ไม่รู้ปัญหาตอนที่เราตายไปนุ่นทิบันต้นหมดลมหายใจมันจะต้องกลับมาเกิดแก่เก็บตายเป็นมนุษย์นี่มันดีที อย่างดีที่สุดแล้วเป็นมนุษย์ถ้ามันไปตกอบายภูมิทั้งสี่เปตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างไม่ต้องดูอย่างอื่นสัตว์เดรัจฉานให้ดูสิมีกี่เผา่ากี่พันมีกี่ตระกูลสัตว์บกมีกี่ตระกูลสัตว์น้ำมีกี่ตระกูล ตัวเล็กตั้งแต่เรามองไม่เห็นสัตว์บกนีตัวโตที่สุดก็คือช้างสัตว์น้ำตัวโตที่สุดก็คือปลาวาน แลอายุบานี้ช้างนี่ก็ว่าอายุแปดสิบปีร้อยปีขึ้นชื่อว่ามีอายุต้องมีคำว่าหมดอายุไม่ว่าจะกี่หมื่นปีกี่ล้านปีก็หมดเพราะมันจะกินกันไปเรื่อยๆมีนาทีมันจะกินนาที นาทีมันก็จะไปกินชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็จะไปกินวันหลายๆวันมันก็จะไปกินสั ป, ปดาห์หลายๆสั ป, ปดาห์จะไปกินเดือนหลายๆเดือนมันจะกินปีพอมันหลายๆปีขึ้นมาแบบนี้ก็กินหมดจีกี่กี่ล้านปีก็หมด ฉะนั้นเรามาดูความเกิดความดับภายในความเกิดของอารมณ์ต่างๆของสังขารที่มาเกี่ยวข้องกับใจเมื่อสังขารมันมาเกี่ยวข้องกับใจแล้ววะนี้ มันไปปรุงใจให้แต่งไปตามเรื่องของมันตามที่กิเลสมันต้องการเพราะสังขารมันเป็นกิเลสเมื่อกิเลสมันต้องการยังไงมันก็เอาอะไรมันีเราจะตกนรกหมกไหมมันก็ไม่เกี่ยวจันถึงว่าหาทางระงับมัน โดยการหยุดผู้ระงับสังขารได้เป็นผู้ประเสริฐที่ค า, าวูปาสมงสุขโขถ้าหากเราไม่ละงับสังขารแบบนี้มันจะไป มันเป็นการปรุงแต่งไปเพื่อพบเพื่อชาติเพื่อชลาเพื่อมรณะสังขารฉะั้นในตัวสังขารนั่นมันจะมีเยื่อใญ่อยู่ในมันอีก ที่จะให้ไปเกิดเป็นเม็ดพันต่อไปฉะนั้นเราต้องระงับสังขารไม่ให้มันมีเยื่อใยต่อไปถึงแม้มันจะมีมีก็ใช้ตามธรรมชาติที่เป็นเรื่องของสมมุติ เอากับมันมาใช้งานมาให้มันมาใช้งานเรา <c oughs> เอามันมาใช้งานให้มันเป็นประโยชน์เอาของที่มีอยู่ทั้งหมดในสมมุติมามาทำงานให้มันเป็นประโยชน์กับตัวของเราอย่างการทำบุญทุนทานหมดนี้ก็เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้น การรักษาศีลการภาวนาการอยู่ในกติกาสังคมอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องของสมมุติแต่สมมุติที่เป็นประโยชน์มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งที่สมมติที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นเวรที่จะให้เราเกิดแก่เก็บตายอีก ฉะนั้นถึงว่าต้องแก้ไขตัวสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิกมันกลับมาเอาใช้ประโยชน์ไม่ให้กิเลสเข้าไปใช้งานปิดกัน้น